สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิดพระเยซูตอนที่สองร้อยแปดสิบสามคอธิษฐานของพระเยซูทั้งที่ห้าสิบแปดขอโปรดยกบาปผิดของข้าพรุงพี่น้องครับในเช้าวันนี้พระเจะนาของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมสรุ ด, ดีบทที่ห้าสิบเอ็ดครับพระธรรมสรุ ด, ดีบทที่ห้าสิบเอ็ดนั้นเป็นสรุ ด, ดีที่สำแดงถึงการกับ ใจใหม่ของขษาสัตว์ดาวิดในการทูลขอการอภัยโทษทูลขอพระเมตตาจากพระเจ้าหลังจากที่ดาวิดนั้นได้ถูกผู้เผยเพระชนะท่านหนึ่งที่มีชื่อว่านาธันท่านเข้ามาเฝ้ากษัตริย์ดาวิดแล้วทูลพระองค์ถึงความบาปของพระองค์ท่านและเมื่อพระเจ้าได้บอกกับพระองค์ท่านเรื่องของความผิดความบาปเรื่องของการ ล่วงประเวณีและการฆ่าอูริอาซึ่งเดิมนั้นเป็นสามีของนางบาดเชบานางบาดเชบานั้นกำลังอาบน้ำอยู่และกษัตริย์วิษณุได้ทอดพระเนตรจากดาดฟ้าพระราชวังมองเห็นนางบาดเชบาซึ่งเป็นผู้หญิงที่สวย <c oughs> กำลังอาบน้ำอยู่พระองค์ท่านจึงได้ทำบาปของการล่วงประเวณีพี่น้องครับ ไม่เพียงแต่ล่วงประเวณีก็ยังฆ่าอูริยาซึ่งเป็นสามีของนางบาชเชบาด้วยเมื่อดาวิดได้รับการติเตียนได้รับการกกำชับจากนาทันผู้เผยพรชนะได้เข้ามาเข้าเฝ้ากษัตริย์ดาวิดนั้นมีท่าทีแห่งการเสียอกเสียใจท่าทีแห่งการยอมรับประนัก สำนึกว่าตัวเองนั้นเป็นคนบาปครับและจากตรงนี้นี่เองก็เรียกว่าเรียกได้ว่ามีท่าทีของการกลับใจใหม่เพราะฉะนั้นท่าทีของการกาจัดการกลับใจใหม่นั้นเป็นท่าทีที่เกิดขึ้นก่อนจะรับการอภัยโทษครับเราต้องกลับใจใหม่เราต้องรู้จนหนักรู้เราต้องสำนึกว่าเราเป็นคนบาปครับและเราต้องยอมรับว่าเราช่วยตัวเองไม่ได้เราปรารถนาที่จะออกจากความบาปครับ เรามีความรู้สึกว่าเราเกลือกลัวกับสิ่งที่เป็นมนทถิ่นสิ่งที่สโปบกอยากจะมีชีวิตที่สะอาดอยากจะเริ่มต้นใหม่ <c oughs> อยากจะกลับเนื้อกลับตัวอีกครั้งหนึ่งกับพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เราเรียกรวมกันว่าท่าทีแห่งการกลับใจหรือที่เรียกว่า repent นะครับ repent คือแปลว่าการกลับใจใหม่ครับพี่น้องครับเมื่อเรามาดูถึง ความบาปของดาวิดที่ทํานั้นหลายคนมีความรู้สึกว่าแค่ทําผิดประเวณนีนะครับต้องรับโทษใหญ่ถึงขนาดนี้หรือโทษที่ดาวิดรับก็คือว่าลูกของเขาที่เกิดตายครับพี่น้องครับหลายหลายคนในหลายๆสังคมนั้นมีความรู้สึกว่าการทําผิดบาปล่วงประเวณีนั้น เป็นบาปที่เล็กๆนิดน้อยไม่ค่อยมีความสลับสาคัญเ <c oughs> พราะโลกก็ไม่ถือว่าเป็นบาปใหญ่ครับศาสนาต่างๆ ท, งทั้งที่มีคำสอนดีอยู่แล้วแต่ว่าในแต่ละชุมชนนั้นก็รับคำสอนน้ำหนักของคำสอนแต่ละอย่างนั้นไม่เท่ากันหลายๆชุมชนหลายๆสังคมมีความรู้สึกว่าการผิดผัวผิดเมียการทำผิดประเวณีนั้น ก็ยังบาปน้อยกว่าการฆ่าคนยิงอยู่ครับบาปของการฆ่าคนนั้นเป็นบาปใหญ่แต่บาปของการผิดประเวณนีนั้นก็หนักหนาครับถือว่าเป็นบาปหนักหนาถือว่าเป็นบาปใหญ่ไม่แพ้กัน <c oughs> พี่น้องครับถ้าเราสังเกตคําอธิษฐานที่กะสันทวิทเขียนไว้ในพระธรรมสุดดีตอนนี้นะครับเป็นคนําอธิษฐานที่ออกมาจากจิตใจครับจิตใจที่เต็มไปด้วยความรู้สึกสํานึกผิดบาป จิตใจที่เต็มไปด้วยความรู้สึกแปดเปื้อนสกรปรกเป็นมลทินไปด้วยเลือดเลือดที่เกิดจากชีวิตที่ถูกฆ่าของอูริอานนั่นเองคำอธิษฐานนี้สะท้อนออกมาในข้อที่สิบเอดครับขออย่าทรงเหวี่ยงฆ่าพระองค์ไปเสียจากเบื้องพระพักของพระองค์และขออย่าทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ไปจากข้าพระงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่กระสัดดาวิดกลัวที่สุดครับก็คือได้ห่างจากพระเจ้ารับการลงโทษโดยการห่างจากพระเจ้าและไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำในชีวิตนี่คือสิ่งที่เกิดจากผลของความบาปครับ <c oughs> ดาวิดคูทูลขอการอภัยโทษเพราะเนื่องจากดาวิดนั้นรู้ความจริงข้อนี้ เพราะว่าพระเจ้าของดาวิดก็เหมือนกับพระเจ้าของเรานะครับเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันที่รังเกียจความบาปและพระองค์ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อมีบาปนะครับเราไม่สามารถจะนมัสการพระเจ้าได้เมื่อมีบาปพระเจ้ากับเราเจอหน้ากันไม่ได้ครับเว้นไว้แต่อย่างเดียวก็คือเราจะต้องมีท่าทีในการกลับใจใหม่ พี่น้องครับถ้าคิดในขันกลับใจใหม่ผมขออนุญาตทบทวนยอยีกครั้งนะครับก็คือต้องประกอบไปด้วยความรู้สึกสับนึกผิดครับตอนหนักรู้ยอมรับว่าเราเป็นคนบาปช่วยตัวเองไม่ได้ตอนหนักรู้ว่าความบาปนั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเรียกว่าเป็นมนถินแปดเปื้อนชีวิตของเราทำให้เราพบกับประเจ้าไม่ได้และเราต้องมีความรู้สึกเศร้าเสียใจและไม่อยากทามันอีกครับ นี่คือท่าทีที่เรียกว่าการกลับใจใหม่ <c oughs> หรือรีเทนนั่นเองพี่น้องครับถ้าเราดูในพระธรรมเศรษีบทที่ห้าสิบเกดกษัตริย์ดวิทยาเริ่มต้นว่าขอพระเจ้าเมตตาท่านตามความรักมั่นคงของพระองค์ครับพระเจ้าทรงเมตตาใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของพระองค์นะครับแต่ขึ้นอยู่กับความรักมั่นคงซึ่งไม่มีวันเปลี่ยนแปลง นี้เป็นท่าทีที่เราจะต้องเข้าหาพระเจ้าก็คือขอความเมตตาจากพระเจ้าครับและความรักมั่นคงของพระเจ้าที่พระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั้นจะนํามาซึ่งการยกโทษและให้ภัยบาปจะนํามาซึ่งการลบล้างการล่วงละเมิดทั้งสิ้นของเราตามความรักมั่นคงของพระองค์และตามพระกรุณาที่คุณพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระคุณคือสิ่งที่เราได้รับทั้งที่ไม่สมควรในขณะที่เราเป็นคนบาปนะครับพระเยซูทรงชิ้นพระชนเพื่อเราและสิ่งที่เราไม่ควรรับหรือหรือเราไม่สมควรจะได้รับแต่ได้รับนั่นคือพระคุณครับพระคุณนั้นก็คือการอภัยโทษบาปพี่น้องครับดาวิดได้อธิษฐานต่อในข้อสิบเอ็ดครับขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ไปเสียจากเบื้องพพักของพระองค์ และขออย่าทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์พี่น้องครับตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากเพราะกษัตริย์วินนั้นได้เข้าถึงความสัมพันธ์กับพระเจ้าครับและจากความสัมพันธ์นั้นเองนั้นจากความรู้ในเรื่องพระเจ้านั่นเองทําให้รู้ว่าเราซึ่งเป็นมนุษย์นั้นจะพบกับพระเจ้าจะอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระองค์ไม่ได้ถ้ามีความบาปครับเราจะต้องถูกเวียงออกจากเบื้องพระพักของพระเจ้า แต่ถ้าทีแห่งการสำนึกบาปท่าทีแห่งการกลับใจใหม่ทำให้พระเจ้าไม่เหวี่ยงเราไปเสียจากเบื้องพระพักแต่ทางกลับกันพระเจ้าให้พยาโทษและพระเจ้ายกมือของพระองค์ยื่นมือของพระองค์ออกมาเพื่อที่จะเวลค่ำรับเรากลับเข้าสู่พระสวงของพระองค์อีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ พระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่เมื่อเราทําความผิดบาปพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ยังไม่ได้ละเราออกไปแต่ในสมัยโบราณ น, นั้นในพระมุีเดิมเราจะพบนะครับว่าเมื่อผู้นําทําบาปและไม่เชื่อฟังและไม่ยอมสํานึกบาปเมื่อทํายิ่งมากเข้ามากเข้าเรื่อยเื่เมื่อยิ่งไม่เชื่อฟังไม่ฟังพระสวดเสียงของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเรื่อยเอยพระวิ ญ, ญญาณของ พระเจ้านั้นจะละจากผู้นำท่านนั้นหรือผู้นำเหล่านั้นไปเสียพี่น้องครับถ้าหากพระเจ้าไม่สถิตอยู่ด้วยกับเราพระเจ้าปล่อยเราทิ้งนั่นเป็นมหันตภัยอันใหญ่หลวงครับนั่นเป็นมหันตภัยอันใหญ่หลวงของชีวิตหนึ่งถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็เป็นคนที่น่าสงสารมากครับน่าเสียดายเสียใจเพราะเหตุความบาปนั่นเองพี่น้องครับ เราเห็นว่ากษัตริย์ดาวิดนั้นกำลังพูดถึงบางสิ่งบางอย่าง <c oughs> ที่ท่านไม่ต้องการให้เกิดขึ้นท่านไม่ได้กำลังพูดถึงบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเพราะอะไรครับเพราะดาวิดรู้ว่าพระเจ้ายังคงสถิตยอยู่กับท่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ก็ยังอยู่ด้วยเหมือนกันดีงนั้นครับจากตรงนี้นี่เองทาให้เรารู้ว่าดาวิดกาลังขอต่อไปว่าขออย่าให้มันไปไกลกว่านั้นเลย ข อ, อยาทรงเอากับคืนไปเลยพระเจ้ากําลังยืนยันนะครับว่าพระองค์จะยังคงสถิตอยู่กับผู้ที่มีจิตใจฟกชำ้ำผู้ที่มีจิตใจสํานึกผิดผู้ที่มีท่าเถียง ก, กันกับใจและสารภาพบาปทูลขอการอภัยโทษจากพระเจ้าพี่น้องครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องของการอภัยโทษบาปเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่อยู่ก่อนอภิยาภยในพระบามนั้นก็คือ ท่าทีแห่งการกลับใจใหม่ครับในข้อที่สิบสี่ครับข้าแต่พระเจ้าคือพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากกรรมชั่วเพราะทําให้โลหิตเขาตกดาวิดยืนยันนะครับว่าพระเจ้ายังทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของท่านเช่นเดียวกันครับพระเจ้าก็ยังทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของเราทั้งหลายเช่นเดียวกันในทุกวันนี้ ดาวิดร้องทูลต่อพระเจ้าผู้ยังทรงสถิตยอยู่ที่นั่นผู้ซึ่งพระวิญ ญ, ญาณทรงสถิตยอยู่ผู้ทรงเป็นความรอดของท่านเช่นเดียวกันครับในทุกวันนี้หากเราร้องทูลพระเจ้าวิงวอนพระเจ้าทูลขอพระองค์ให้ยกโทษบาปนะครับพระเจ้าของเราก็ยังเป็นพระเจ้าผู้ทรงเหมือนเดิมทั้งวานนี้วันนี้และสืบสืบไปเป็นนิดพระองค์ยังทรงสถิตที่นั่นเหมือนเดิมนะครับ เวิญญาณของพระองค์ก็ยังทรงสถิตยอยู่ในเราและพระเจ้าเป็นความรอดของพวกเราครับอย่างไรก็ตามครับถึงแม้ว่าดาวิดจะมั่นใจว่าท่านจะได้รับการอภัยโทษในเชิงสารแล้วก็ตามแต่ท่านยังรู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับพระเจ้านั้นก็ขาดหายไปครับพี่น้อง และนั่นคือสิ่งที่ท่านหมายถึงเมื่อท่านร้องออกมาในข้อที่สองว่าขอทรงโปรดล้างข้าพระองค์จากความผิดให้หมดสิ้นและทรงชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของข้าพระองค์แล้วและบาปของข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ต่อพระองค์เท่านั้นและได้กระทาสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพเนตรของพระองค์ ข้อที่เจ็ดครับกาชาดวิเขียนต่อไปว่าขอทรงชำระค้าพระองค์ด้วยต้นหูศพค้าพระองค์จึงจะสะอาดขอทรงล้างค้าพระองค์และค้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะข้อแปดข้อสิบถึงข้อสิบสองนะครับขอทรงโปรดให้ค้าพระองค์ได้ยินความชื่นบานและความยินดีขอกระดูกซึ่งพระองค์ทรงหักนั้นเปลี่ยนปรีกษัาชาดวิทต้องการความชื่นบานนะครับต้องการความชื่นชมยินดี ที่เกิดจากการอภัยโทษบาปนั้นหรือเกิดจากสภาวะที่ไม่มีบาปนั้นกลับคืนมาครับพี่น้องเราเองนะครับเมื่อเราสารภาพบาปได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้าความชื่นบานจะกลับคืนมาสู่ชีวิตของเราครับข้อสิบและข้อสิบสองครับบอกว่าขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์และฟื้นน้าใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่ข้าพระองค์พี่น้องครับ กระชับ ว, วิทไม่ได้พูดว่าขอทรงคืนความรอดของพระองค์แต่ท่านพูดว่าขอทรงคืนความชื่นบานครับขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดพี่น้องครับในชีวิตแห่งความรอดนั้นเรามีความชื่นชมินดีอยู่เสมอครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เราทําบาปความชื่นชมินดีนั้นจะหายไปจะกลับกลายเป็นเสียงเตือนของจิตใต้จิตใต้สํานึกหรือเรียกว่าจิตสํานึกจะกลับกลายเป็นเสียงเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่กระทาพระราชกิจของพระองค์ใน ชีวิตของเราจะมีเสียงที่เตือนเราตลอดเวลาว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบพระทยัยสิ่งนี้พระเจ้าไม่โปรดนะ